Thank you. เกับใครต่อใครที่คล้ายผมเพราะผมไม่เหมือนใคร That's what I'm talking about คกอนขอบตั้งเท่าไรกับพวกผู้ชายเย็นชาแต่ว่าผมนั้นไม่เหมือนใครแล้วนะคุณแค่เศร้ามอง แต่ผมนั้นห่วงใยมองมาตรงนี้ลราเปลี่ยนใจถึงลุกผมดูโจงแต่คุณจะปลอดภัย y o u n e v e r be alone เพราะว่าผมอยู่ปลอบใจ uh, มีแค่เราสองให้ผมไปกอดใครเพราะสิ่งที่ผมต้องการไม่เพียงแค่คุณกับกองไง Just want t you to know in your mind in your soul baby t อ้สักทีตื่นมาฟงหางเป็นผมคงดีอันหน้าตาไม่ค่อยหลอ่อแต่รวมรวมแล้วมีเสน่มากจะรักใครสะคนกูจะบอกว่าฮียากเชื่อ <"Sh ield, S 2> ผมได้เลยกูจะบอกว่าโอเค You can trust me เพราะว่าผมไม่โมเม่ทำให้คุณสนุกทำให้รู้สึกไม่เบื่อนายไม่มีช่วงโปรโมชั่นจะแซบอีกตอนนอริทายไม่มี introduction นหรือผมกับคุณนั่งวีมาจะมีเพียงแค่คำ ผมน่ะโคตรจะรีแลกซ์เธอบอกว่าดีแต่ก็แปลกเพราะเธอเคยเจอแต่สุดแซ่ดนี่กรแทกหัวใจเธอสุดแซ่ดทาให้เธอเศร้าตั้งแต่แรกแต่ผมจะแรับให้คุณได้ยินให้คุณรู้สึกว่าสแวกแก๊กแยบแยบไปแค่นั้นในพวกผู้ชายที่คุณเจอแต่ผมจะทําให้คุณได้รู้ว่ารักของผมต้องลงทุนมันอาจจะแลกมาด้วยความสุขจะไม่มีการบ่นว่าขาดทุนถ้าหากว่าคุณจะก้ารุ่นรับรักจะทารุนนะก๊ำทำมือกับผมเป็นอื่นไป ก็รับประกันว่าไม่มีวัน<ผ>มคมขืนใจไอ้พวกตัวปลอมที่คุณะจะเจอมันก็ชอบมาหื่นใส่บ้างก็ลื่นไหลไก่แยดูแย่มันไม่แฟรเลยว่าไหมไ<อ>ถึงไม่ค่อยจะรอแต่ก็ใช้ใจนะครับไม่มือไวนะครับรักแล้วก็คือรักจะไปทำให้เราต้องอัตคัดให้มีความสุขเสมมากกว่าทุกจะไปทำให้คนรู้สึกติดคุกรักคนคนเดียวแล้วทไมมีชิวม่ ผู้ชายเย็นชาแต่ว่าผมนั้นไม่เหมือนใคร